วันนี้ก็เป็นวันที่26 26สิสิงหาห้าหนึ่งครับฟังดูแล้วก็คนทรเาะกันก็เป็นอย่างนั้นล่ะคิดว่าตรงกันข้ามเป็นอาธรรมอย่างนั้นตัวเองเนี่ยเป็นธรรมถ้าเห็าหนึ่งพวกหนึ่งพูดฝ่ายนั้นเขาเขาว่าเขาเป็นธรรมพวกตรงข้ามเป็นอาธรรมเพราะนั้นจึงมีพี่ภาคสาอายการเป็นผู้ตัดสิน คำว่าพิพากษาอายการจุดนี้ก็ต้องเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่ายถ้าว่าขึ้นมาตัดสินอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับกับหาว่าฝ่ายพิพากษาเข้าอีกข้างหนึ่งเป็นอาธรรมเพราะไม่เข้าข้างตัวเองถ้าเข้าข้างตัวเองก็เออเนี่ยเป็นธรรมสมัยไหนที่พิพากษา ตัดสินเข้ามาข้างตัวเองเอออันนี้เป็นธรรมถ้าตัดสินไม่เข้าข้างตัวเองเออนี่ไม่ได้ไม่เป็นธรรมสรุปแล้วก็คือมันยากอยู่เหมือนกันนะ่ะไม่รู้จะเอาจุดไหนมามันเหลี่ยมหนึ่งมันก็เป็นเหลี่ยมหนึ่งมันเหลี่ยมหนึ่งมันก็เป็นเหลี่ยมหนึ่งมันเหมือนกับในร่างกายของเราเนะี่ยในร่างกายของเราเนะี่ยถ้าเรามองส่วนหนึ่งเราก็ว่าสวยงามนะ่ะ ดูหน้าตาอะไรก็สวยงามแต่มองเข้าไปอีกมุมหนึ่งมันสกปรกฮะอันนี้คือโลกทั้งโลกจะให้มันเป็นหน้าเดียวมันเป็นไปไม่ได้สรุปแล้วมันต้องมุมไหนมีประโยชน์อย่างไรมุมไหนจะบริหารอย่างไรมุมไหนจะให้โทษอย่างไรมันต้องมองในหลาย ม, มุมแล้วก็มาวิเคราะห์ใส่กันอย่างคราวก่อนก็เหมือนกัน สามท่านที่ผ่านมาเนะี่ยอันนี้เราก็ไม่ได้พูดดูถูกเกีดยดหิยมเยอ้ยอยันอะไรนะสมัยท่านอยู่ท่านก็ท่านทำํำทุกให้ท่านล่ออกท่านก็ไม่ล่ันท่านทุกอพอพอผลสุดสารตัดจินออกมาท่นเนี่ยว่าท่านผิดท่านนี้ทํายังไงแต่เนี่ยก็ไม่อยากจะเข้าคุกอีกล่ะท่นนี้ยข่าวนั้นก็รู้สึกว่าข่าวหนึ่งเหมงอนนแต่คราวนี้อีกก็เหมือนกัน แต่แตามไม่จริงคนมาขนาดนี้เป็นเพราะเหตุไรไอพวกที่เดินกระบวนเขาก็บอกท่านมีความผิดไอ้พวกนี้เขาก็บอกผมไม่มีความผิดแล้วจะเอาอย่างไรกันหลวงพ่อวานน่าจะมีศาลขึ้นมาศาลปกครองก็มีแล้วแะแต่มันน้อยเกินไปให้อํานาจน้อยเกินไปเมืองไทยเดี๋ยวนี้น่าจะมีศาลปกครอง มีอำนาจมากกว่านี้เลืองเข้ามาเลยสักสิบห้าสิบหกคนปลดก็ทั้งนายกเหมือนะันแพิจารณาคดีความรัฐมนตรีนายกไล่ไปหมดเลยแใครทําผิดมีอํานาจโดยเด็ดขาดไม่ต้องเอาหลายคนเหมือนกนแต่ขอย่างว่ายอยีกเหมือนกันถ้าพวกนี้ไม่ซื่อตรงอีกเอาเงินไปซื้ออีกเปเป๋ อ, อีกสรุปแล้วก็คือ ตาช่างเนี่ยมันจะทํำยังไงจึงจะตรงได้เพราะมันมีกิเลสอยู่ในนั้นอยู่มันสิงอยู่กิเลสมันไม่อยู่สิงอยู่ในจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกหมู่เหล่าจะไม่ให้มีชันทาคติโทสักติโมหะคติพยคตินีน่มันยากมากจุดเนี่ยมันยากจริงๆถ้าจะว่าไปแล้วยากยิ่งกว่าหาเพชรหาพลอยเหมือนกันละ เพชรหาพลอยเนะี่ยยังไม่ยากเท่าหาความซื่อสัตย์สุดเจริญความซื่อตรงในจุดนี้นี่แหละโลกมันจึงสรวนวุ่นวายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นแต่ตามมิจริงที่เขาเดินเขาข้างเหตุผลแบบหนึ่งคนที่อยู่เขาข้างเหตุผลอีกแบบหนึ่งเหมือนกับร่างกายของเราอย่างที่ว่า น, ค น, น, นาาาคนมองในแง่หนึ่งเขาว่าสวยงามแต่คนมองในแง่หนึ่งก็ว่าส ก, กระปรก แต่ว่ามองเลยโดยธรรมชาติแล้วเป็นยังไงมองในแง่าภาพรูมแล้วเป็นยังไงมองในแง่ความเป็นจริงนั้นเป็นยังไงถ้ามองในแง่ความจริงแล้วอย่างพระพุทธเจ้ามองเลยนะท่านเป็นธรรมแล้วร่างกายสปกปรกคลี่ออกมาแต่ละอันละอันออกมาเลยนะเจสาผมโลมาขนนัคขาเล็บทันตาพันตะโจนังไล่เข้าไปมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก แยกส่วนแบ่งส่วนออกมาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงดูนะอืมใชใ่เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดนะอันนี้ก็คือถางว่าบุกพูดแบบภาพรวมมันก็ต้องถกเถียงกันแต่พอมาแยกแยะจริงๆจะรู้ได้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอันนี้ก็เหมือนกันแต่ตามไม่จริงมันน่าจะเอาทั้งสองฝ่ายเนะี่ยก็อย่างวาที่เนี่ยสารปกครองทั้งหมด จะตัดสินเร็วเกินไปก็ใช่เรื่องโดยมากก็ช้าอีกนะกว่าจะหาหลักฐานข้อมูลได้เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายทุกคนอันนี้ก็สรุปแล้วก็คือประเทศชาติมันอยู่ด้วยการมากมายหลายคนไม่รู้จะออกทางไหนสรุปแล้วก็คือให้ถ้าทุกคนมองเห็นประเทศชาติขอให้มองเห็นประเทศชาติ ให้อยู่ด้วยกันด้วยความสงบพรมเย็นเป็นสุขอย่ามองกลุ่มของตนเองอย่ามองเข้าข้างตนเองอย่ามองเห็นประเทศชาติเป็นขนมเค้กขนมปังอาหารโอชะมันก็ไม่ถูกเพราะทุกคนอยู่ในชาติก็ต้องช่วยกันประคับประคองเหมือนกับเราลงเรือลาเดียวกันนะเรืออยู่ในกลางมหาสมุทร จะทำยังไงเรือของเราจะเดินไปถึงถึงจุดหมายปลายทางใครมีหน้าที่อะไรไทยมีหน้าที่กัปตันก็ดูแลกัปตันหน้าที่กัปตันพวกหน้าที่ดูเรืออช่วยกันดูเรือพวกที่อยู่ในเรือก็ต้องอยู่ในความสงบอไม่ใช่เอาไม้บางเจาะท้องเรือบ้างเอสิ่งไหนที่จะทําให้เรือโคงเค้ง กระโดดไปกระโดดมาจะทําให้เรือลํานั้นไปไม่ถึงฝั่งแต่ถ้าทุกคนช่วยกันช่วยกันคิดประคับประคอง<ม>เรือลานั้นก็ไปได้ดีแต่ถ้าว่าทุกคนคนในเรือออกความคิดเห็นมีแต่เอาจะรัดเอาออเปรียบกันถ้ากูจาพื้นเรือลงไปเนะี่ถ้าเรือแตกเนะี่ยกูก็เตรียมการไว้แล้วมีเรือลําน้อยลอ ย, อยอยู่นะกูจะต้องได้สมบัติ มึงใครจะเอาโทษกูไม่ได้ในเมื่อเรือแตกไนงะถ้าผู้คนมีความคิดอย่างนั้ น, นหลายๆคนคนอยู่ในเรือนั่นก็มันก็ไม่รู้จะทํำยังไงอีกเหมือนกันถ้าคนคิดอย่างนั้นมากๆขึ้นมากะแปลว่าบาปกรรมของคนในเรือนะ่ะคงสร้างมาไม่ดีเหมือนกันคงทาํมามําทํามาไม่ดีในอดีตเนะี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะมาเจอกับคนประเภทนี้เข้ามา คนในชาติของเราเนี่ยรู้สึกว่าเราเกิดมาในยุคที่ไม่ดีแล้วงั้นมาเกิดมายุคในคนผ่านพานละชนะพาละชนคนผ่านนะแต่ถ้าว่าเกิดมาในยุคบัณฑิตก็มีแต่การเครือกุนหนุนกันจะทํายังไงจึงประเทศชาติจึงจะเจริญประเทศชาติจึงจะอยู่รอดช่วยกันประคับประคองคนละไม้คนละมือใครมีหน้าที่อะไรก็หนักทําหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด เป็นครูบาอาจารย์ก็พยายามสอนลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานให้เป็นคนดีเป็นข้าราชการทหารก็เป็นรั้วของชาติปกป้องประเทศชาติแผ่นดินทุกกระเบียดนิ้วใครจะเข้ามาเบียดบังไม่ได้เป็นรั้วของชาติอย่างมั่นคงตำรวจก็เป็นผู้พิทักษ์สันติราชเพื่อความสงบพรมเย็นก็เป็นสุขของคนในชาติพระสงฆ์องค์ระเจ้า ก็มีหน้าที่แนะนำสั่งสอนศิลธรรมให้แก่ชุมชนสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนก็พยายามไม่ได้คิดอะไรมิตรสนแล้วก็แนะนำสั่งสอนสงเคราะห์อนุเคราะห์โดยเป็นธรรมพี่น้องประชาชนแต่ละหมู่แต่ละเหล่าอย่างหมอก็พยายามรักษาคนในชาติเจ็บไข้ใดป่วยเป็นหน้าที่ของหมอจะต้องพยายามทาให้ดีที่สุดถ้ามีการระเาะบแวงกันพิพากษาอายการ ก็พยายามไกลเกลี่ยคนในชาติอย่าให้ทะเลาะกันด้วยความเป็นธรรมให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคนคนเช่าไร่ชาว น, า, วนาเออพยายามทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนเพื่อเลี้ยงหมูพวกเพื่อนสรุปแล้วก็คือเฉลือเผื่อแผ่กันหาเงินซื้อกันซื้อขายกันถ้าทุกคนอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบ อนูดูในหลังอย่างนั้นมันก็ดีแต่อันนี้มันมีอะไรแฝงอยู่ข้างในเลยให้ตัวแฝงอยู่ข้างในก็คือกิเลสเนะมันก็วิ่งเข้ามาหาจุดนั้นอีกแล้วเลกิเลสลาคะขึ้นมาแล้วมันเอียงเลยแสอมันเห็นคนขึ้นมาแล้วถ้าคนตัวเองชอบใจแล้วกันมันเข้าข้างนั้นนะเพราะมันเข้าข้างนี้มันก็เกลียดข้างโน้นละทันทีเลยกิเลสลาคะกิเลสโทสะความไม่พอใจ ความพอใจฝ่ายหนึ่งไม่พอใจฝ่ายหนึ่งเอาต่อท้านกันขึ้นมาทันทีกิเลสโมหะก็คือความหลงไม่รู้ตามความเป็นจริงเรื่องนั้นเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนไม่ได้วิเคราะห์ให้ชัดเจนเพราะมันหลงหลงในกลุ่มในหมู่ในคณะในพักในพวกคนตนเองหลงในยศถาบรรดาศักดิ์ของตอนเองโดนหลงในการศึกษาของตอนเอง โดโ ด, โดโหลง ใ, ในการเป็นอยู่ของตนเองชาติตระกูลของตนเองหลงควาเนี่มันกว้างขวางในที่นี้โลกโลกไม่มีที่สิ้นสุดถ้าว่าเห็นอันไหนขึ้นมามีแต่ยากใต้เข้ามาเป็นของส่วนตัวมาเป็นของหมู่ของคณะคนอื่นจะยากทุกยากขนาดไหนข้าไม่สนขอให้ข้าเนี่เป็นเป็นหนึ่งเป็นใหญ่ ให้ข้าเป็นผู้ล่ด้วยสู่เจ้าจะเป็นยังไงอันนั้นเรื่องของสู่เจ้าท่านโลกมันเป็นลักษณะนั้นขึ้นมาเมื่อไหรกันนี่แหละเดือดร้อนพุ่นวายอย่างที่พวกเราเห็นนะนะก็ขีเลิปกครองสรุปแล้วถ้าทําปกครองแล้วกันเฉลือเปลือแพ่ต่างคนก็ต่างอยู่ไม่ถึงร้อยปีนะ่ะจะเป็นโลคอะไรมากมายนักหนาจะไปโกรธอะไรมากมายนักหนาจะไปหลง ลุ่มหงมัวเมาอะไรมากมายนักหนาต่างคนก็ต่างมาต่างคนก็ต่างมาเกิดช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ดูแลซึ่งกันและกันไปประกับประคองเรือใหญ่ของประเทศชาติให้อยู่ได้ถึงจุดหมายปลายทางช่วยชีวิตของเราตอนคนต่อไปก็ดูแลต่ออีกคนดูแลต่ออีกความสงบโลภเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นกับชุมชนสองสังคม แต่ตามาพวกเรามีแต่เพียงมองออกข้างนอกว่าคนอื่นอาธรรมทั้งหมดนี่คือว่าอาทําคือคนไม่ไม่ถูกต้องคือคนอาทํามอย่างั้นเถอะคือคนกิเลสเดินไม่ถูกต้องคิดไม่ถูกต้องพูดไม่ถูกต้องตัวเองนั่นแหะเป็นธรรมคิดถูกต้องพูดเป็นถูกต้องทําถูกต้องตัวเองเป็นธรรมต่างคนก็ต่างว่าคนอื่น โยนให้คนอื่นเป็นอาธรรมเหมือนนะตัวเองเป็นธรรมเออต่างคนก็ต่างโยนให้กันโดยที่ไม่มองกันโดยไม่ได้ปรึกษาปารกันว่าใครเป็นธรรมและใครเป็นอาธรรมอยู่อย่างนี้แน่นอนหาความสงบผาสุกไม่ได้เนี่ยต้องพวกเราที่อยู่เบื้องล่างก็คอยดูกันอย่างนี้แ้ะเอา้ามันจะเป็นยังไงวะเมันจะแตกแล้วมันจะล่มแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ถึงยังไงก็คงจะ ไม่แตกทั้งประเทศมั้งคงจะมีจุดยืนของมันอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะค อ, คอยดูไปพวกเราอยู่ข้างหลังนะถ้าจะว่ากองเสียรก็ใช่เหมือนกนะันทางไหนถูกเอาทางนั้นนะทางไหนไม่ถูกไม่เอาเหมือนกนะันทางไหนมันถูกทางไหนที่จะเจริญรุ่งเรืองเอาทางนั้นเหมือนกันทางไหนทังหายชนะไม่เอาเหมือนกนะันพวกเราไม่ติดอยู่ข้างนอกไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกนะันท่านโดดเข้าไปอีเขาก็ตีเราอี แล้วคติเรามาอีกเหมือนกันนะเพราะนั้นพวกเราเราอยู่ข้างนอกนะอยู่ในความสงบดูเป็นเสียแต่มันจะเกิดพูนวายจริงๆ เ, เราจะช่วยกันยังไงยังคอยว่ากันอีกแต่ช่วงนี้ให้ฟังให้ดูก่อนอืดูด้วยสติดูดูด้วยปัญญาฟังทั้งสองข้างฟังหมดให้รอบด้านอย่าไปเข้าอย่าไปเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่งอย่าไปฉันทาคติโทสักติอโมหกติพยาคติอะ ในฉันทากติเพราะรักให้กันพอเขาพูดยังไงเชื่อมดิฉันทากติโทสักติเพราะไม่ชอบกันเขาพูดอีกขึ้นมาไม่ชอบแลยขวางหูงโทสักติพยาคติเพราะกลัวเขาเพราะกลัวเขาจะทําหน้าที่ปดตําแหน่งปดหน้าที่ของเราเขาว่ายังไงเราก็ต้องเข้าตามเขานั่นะอันนี้หรือพยาคติโมหคติเพราะความหลงเพราะความไม่รู้จริง S <S <an> <S เขาว่าใจาาเองก็ว่าไปตามเขาฝ่ายหนึ่งมากกว่าว่าไปตามเขาฝ่ายหนึ่งมากกว่าว่าไปตามเขาเพราะความไม่รู้จริงเพราะความหลงเพราะความไม่ฉลาดนะอันนี้พวกเราอยู่อยู่ข้างนอกนะเนี่ยเมือนกับเราอยู่ข้างเวทีมวยอย่างนั้นอ่ะเราก็ดูมันเป็นยังไงมันจึงแพ้เป็นยังไงจึงเป็นชนะเป็นยังไงกรรมการตัดสินอกรรม ก, การตัดสินเป็นธรรมไหม แต่ดูดูแล้วกรรมการมันเอียงเข้าข้างไหนฮะกรรมการตรงตรงหรือเปล่าบางทีปล่อยให้คนอื่นตีเอาตีเอาตีเอาเตีเอาก็ดูดูนะ แ, แต่ตามไม่จริงน่าจะเข้าไปห้ามฮอย่างเนี้ยกรรมการเป็นยังไงเวลาให้คะแนนออกมาเป็นยังไงพวกเราใช้ปัญญาสรุปแล้ว แต่ตาว่ามันจะจิบพายจริงๆมันจะร่มจมจริงๆจริงๆนะพวกเราก็จะต้องกระโดดเข้าไปอีกเหมือนกันน่ปกป้องประเทศชาติจะทํำยังไงช่วยกั น, นอย่างที่ครูบาอาจารย์พระสง์องค์ข้าเจ้าเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเศรษฐกิจจะร่มจมจิบพายทางหลวงตาก็ออกมาพระสงฆ์ทลายก็ออกมาเหมือนกันเพื่อปกป้องประเทศชาติปกป้องยังไงปกป้องโดยจิตตวิทยาน่ะนะ ไปทุกแข่งหนในหมู่บ้านอย่านะชาวบ้านในหะ้อยู่ในความสงบนะบ้านเมืองมันเศรษฐกิจมันมันเพลีผันทางเศรษฐกิจนะมันเขาเอาเงินเข้ามาตีเงินบาทเน่านะมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะตามไม่จริงชาวบ้านเขาจะจะรู้ว่าได้เพียงแต่เงินหมดกระเป๋าเท่านะั้นเขาคนเดือดร้อนนะตรงนั้นทางฝ่ายพระสงฆ์นะ่าก็ต้องออกมามีส่วนปกป้องอีกเหมือนกันให้ประเทศอยู่ในความสงบ มันก่อนเนี่ยะถ้าเรือมันจะล่มจมจิบจีพายจริงจริงมันก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือจะอยู่นิ่งดูได้ก็คงเป็นไปไม่ได้เหมือนกันเมื่อบ้านเมืองจบหายล่มจมจบหายพระสง์องค์พระเจ้าอยู่ในวัดวาสศาสนาจุหัร้อแห่แห่แห่อยู่มันก็ไม่ได้จะช่วยยังไงจะแก้ไขยังไงจะมีความคิดยังไงจะไป ปรปรุงแก้ไขยังไงคนในชาติจึงจะพร้อมเพียงสามัคคีจึงจะสงบพรมเย็นเป็นสุขได้นะีพระสงฆ์ก็ต้องอยู่ในกลุ่มเหมือนกันสรุปแล้วก็คือเหมือนกับปลาอยู่ในคลองเหมือนกับปลาอยู่ในกระมังอเดียวกันเราจะไปแยกไปที่ไหนได้คนในชาตนะิคนในชาติเดือดร้อนพูนวัยทุกข์ยากพระสงฆ์จะจะเป็นยังไงพระสงฆ์ก็ต้องทุกข์ยากอีกเหมือนกัน จะแก้ไขยังไงกับชุมชนและสังคมของพวกเราให้สงบร่มเย็นเป็นสุขได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทุกคนคนในชาติสรุปแล้วมันต้องรักชาติด้วยกันนี่ย น, นะแต่บางคนก็ยารักเกินไปพอรักเกินไปนั่นนะหเห็นคนอื่นว่าไม่รักชาติก็ฆ่าคนอื่นผลที่สุดตัวเองนั้นเป็นยังไงความหายยนะวันนี้ได้พูดเกี่ยวกับแนวความคิด ให้พวกเราได้คิดให้คิดให้หนักแน่นหูมีสองข้างให้ฟังด้วยเหตุผลอย่าไปเข้าข้างใดข้างหนึ่งให้ฟังให้ฟังและวิเคราะห์ด้วยปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุถ้าก่อนมันจึงมีผลมาอย่างนี้มันมีผลอย่างนี้มันเป็นเหตุมาอย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมาจากเหตุทั้งหมดนะอละพร อ, อนุโมทนาให้พร